จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ส1บอดมิถุนายนพุทธศักราชสอง้าเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่าง จากภารังกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อจะได้มาศึกษาวิธีทำความดีศึกษาวิธีสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยความสุขความเจริญ นั้นเกิดจากการกระทาของเราเองพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทำดีได้ดีทำไม่ ด, มดีก็ได้ไม่ดีถ้าทำดีก็จะได้ความสุขความเจริญถ้าทำไม่ดีก็จะได้ความทุกข์ความเสื่อมเสียต่างๆดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำความดี ละการกระทำความไม่ดีกันเพื่อเราจะได้มีแต่ความสุขความเจริญโดยถ่ายเดียวอย่าไม่มีความทุกข์ไม่มีความเสียสียต่างๆตามมาเพราะนี้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมกฎของเหตุของผลกรรมคือการกระทำความสุขความเจริญความทุก ความเสื่อมเสียเป็นผลที่เกิดจากการกระทาทำดีก็สุขทำไม่ดีก็ทุกข์ถ้าเราอยากจะมีแต่ความสุขความจเจริญปราศจากความไม่ดีปราศจากความทุกข์ความเสียหายต่างๆเราก็ต้องละการกระทาที่ไม่ดีไปการที่เราจะทำดี ได้ลับเว้นกายไม่กระทาไม่ดีได้เราต้องมีคุณธรรมอยู่ในใจเราสี่ข้อด้วยกันคือข้อที่หนึ่งเราต้องมีจาระคแปลว่าความเสียสละสองมีสัจจะความซื่อสัตย์สามมีขันติความอดทนและสี่ มีธรรมะความอดกลัน้นนี่คือคุณสมบัติที่เราควรที่จะสร้างขึ้นมาว่าถ้าเรามีความเสียสละมีความซื่อสัตย์มีความอดทนมีความอดกลัน้นเราจะทำความดีได้เราจะละเว้นการกระทำไม่ดีได้ สาเหตุที่เราทําความดีกันไม่ค่อยได้ละการกระทำไม่ดีไม่ค่อยได้ก็เพราะเราไม่มีจากค่ะไม่มีความเสียสละเรามีความเห็นแก่ตัวความสิความเห็นแก่ตัวนี้จะทาให้เราทำความดีได้ยากละการกระทาความไม่ดีได้ยากเราไม่มีสัจจะคือไม่มีความซื่อสัตย์เราชอบคดชอบโกง ก็เลยทำให้เราทำความดีไม่ได้เราไม่มีขันติความอดทนเวลาเจอปัญหาเจออะไรก็ไม่สามารถที่จะทนกับสภาพต้องไปทำไปแก้ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องนาศีไม่มีธรรมะไม่มีความอดกลั้นเวลามีอารมณ์ไม่ดีก็ไม่สามารถยับยั้ง ไม่ปล่อยให้ระบายออกมาเพอมีอารมณ์ไม่ดีถ้าปล่อยให้พูดปล่อยให้กระทาก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็จะเกิดความเสียหายตามมาต่อไปดังนั้นเราจึงต้องมาพยายามสร้างจาระความเสียสละสร้างสัจจะความซื่อสัตย์สร้างขันติความอดทนสร้างธรรมะ ความอดกลั้นถ้าเรามีคุณธรรมหลังนี้แล้วเวลาที่ใจเราคิดที่จะพูดไม่ดีทาไม่ดีเราก็จะหยุดได้เวลาที่เราอยากจะทำความดีเราก็จะทำได้อย่างวันนี้ญาติโยมมีจาระกันมีความเสียสละกันคิดว่าจะมาวัดมาทำบุญกันถ้ามีความเห็นแก่ตัวก็จะไม่อยากจะมาวัด พอมาก็จะมีแต่เสียเงินเสียเวลาถ้าเห็นแก่ตัวก็นอนดีกว่าอยู่บ้านเมื่อคืนนี้ไปเที่ยวกลับมาบ้านเด็กตื่นเช้าไม่ไหวนอนดีกว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นแก่ตัวแล้วก็เสียดายเงินเดี๋ยวเอาเงินไปเที่ยวดีกว่าเอาเงินไปซื้อของที่เราอยากจะซื้อดีกว่านี่คือความเห็นแก่ตัว เมื่อเราเห็นแก่ตัวเราก็จะเสียสละไม่ได้แต่ถ้าเราคิดถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเสียสละถึงแม้ว่าเราจะเสียเงินทองเสียเวลาไปแต่สิ่งที่เราได้กลับมานี้มันได้คุ้มค่ากวา่าได้ความดีงามได้ความสวยงามของจิตใจคนที่เป็นคนเสียสละไม่เห็นแก่ตัว ไปอยู่กับใครก็จะไม่มีใครรังเกียจจะมีแต่คนรักคนชอบเพราะเป็นคนสวยงามความสวยงามของคนเราอยู่ที่คุณธรรมไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าที่เราสวมใส่ไม่ได้อยู่ที่เครื่องสมางที่เราเอามาใช้ตกแต่งหน้าตาของเราเพราะว่ามันเป็นความสวยผิวเผินเป็นเหมือนเปลือก เปลือกอาจจะสวยแต่เนื้ออาจจะเปรี้ยวถ้าเห็นเปลือกสวยแล้วพอปลอกเปลือกออกไปพอต้องกินเนื้อไปเจอเนื้อเปรี้ยวคขา้าก็เนื้อเนื้ อ, อขมก็จะกินไม่ลงความสวยงามของคนเราก็มีสองส่วนสวยสวยที่เปลือกกับสวยที่เนื้อเปลือกนี่ก็คือรูปลร่างหน้าตาของเรา เราสามารถเสริมความงานความสวยงามต่างๆได้แต่มันเป็นความสวยงามที่เป็นเปลือกเมื่อคนไม่กินเปลือกกันเวลาคนเขากินเขากินเนื้อกันเวลาเราครบค้าสมาคมกับใครเราจะดูที่อุปนิสัยใจคอมากกว่ารูปร่างหน้าตาก็ดีถ้าสวยก็ดีแต่ถ้า อุปนิสัยใจคอไม่ดีเป็นคนไม่ซื่อสัตย์เป็นคนที่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่ไม่มีความอดทนอดกลั้นอยู่กับใครก็อยู่ไม่ได้ก็ เ, เดี๋ยวก็ต้องระบายออกมาเวลาโกรธก็ระบายออกมาด้วยวาจาที่หยาบคายด้วยการกระทำที่เสียหายทุกข้าวทุกของทำร้ายคนนั่นคนนี้เพราะไม่มีความอดกลั้น เวลาเกิดอารมณ์โกรก็ไม่อดเวลาเกิดความโลภ ก, ก็ไม่อดกันแ ย, แย่งแยงกันทุบตีกันเพื่อจะให้ได้สิ่งที่ตนเองอยากได้ <Yeah. S 1> อันนี้ก็เป็นเรื่องของความไม่มีความอดกันไม่มีความเสียสละไม่มีความซื่อสัตย์โกหกหลอกลวงมีใครอยากจะคบค้าสมาคมกับคนที่โกหกหลอกลวงบ้างพูดอะไรแล้วก็เชื่อไม่ได้ บอกอะไรแล้วก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาจะพูดความจริงหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่ทำให้คนเราสวยไม่สวยที่เนื้อก็ก็คือมีความเสียสละหรือไม่หรือมีความเห็นแก่ตัวมีความซื่อสัตย์หรือมีความโคดโกงมีความอดทนหรือไม่มีความอดทน มีความอดกลั้นหรือไม่มีความอดกลัน้นถ้าไม่มีคุณธรรมที่ดีจะไม่สามารถพูดดีทำดีหรือคิดดีได้คนที่มีแต่ความเห็นแก่ตัวก็จะคิดแต่อยากจะตักตวงผลประโยชน์จากผู้อื่นจะไม่คิดที่จะให้ผลประโยชน์กับผู้อื่นถ้าเราจะเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่น ผู้อื่นเขาอยากจะคบค้ากับเราหรือถ้าเราต้องคบกับคนที่เขาจะเอาประโยชน์จากเราเพียงอย่างเดียวเราอยากจะคบค้ากับเขาหรือไม่เนี่ยแต่ถ้าเราครบกับคนที่ให้ประโยชน์กับเราเขามีความเสียสละแบ่งปันก็มีอะไรที่เขาพอจะให้เราได้แบ่งให้เราได้เขาก็ยินดีแบ่งให้เราถ้าเป็นคนอย่างนี้ อยู่กับใครก็มีแต่คนรักคนชอบคนที่มีความเสียสละถ้าเป็นคนที่มีความเห็นแก่ตัวก็จะไม่ค่อยมีใครอยากจะอยู่ด้วยเพราะอยู่แล้วขาดทุนไม่ได้กำไรแต่ถ้าอยู่กับคนเสียสละนี้ได้กำไรงนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่มีเพื่อนมีฝูง ก็ให้เราเสียสละเราเสียเงินเสียทองไปแต่สิ่งที่เราได้กลับมานี้กลับมีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองมีเพื่อนฝูงนี่ดีก็ไม่มีเพื่อนฝูงเวลาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนนี้จะมีเพื่อนมาคอยดูแลมาคอยช่วยเหลือเราบางทีเงินทองมีอยู่มันก็มันก็ช่วยเราไม่ได้เรื่องน้ำใจบางทีเราเหงาเราต้องการ ให้มีคนมาให้กำลังใจกับเรา응เงินทองมันให้กำลังใจกับเราไม่ได้แต่เพื่อนฝูงนี้เขาให้กำลังใจกับเราได้ดัง응นั้นขอให้เราคิดว่าการเสียสละนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะเสียสละแล้วจะทําให้เราเป็นคนดีเป็นคนน่ารักเป็นคนที่มีคนยินดีที่จะคบค้าสมาคมยินดีที่จะช่วยเหลือ ในเวลาที่เราเดือดร้อนหรือเราตกทุกข์ได้ยากหรือต้องการความช่วยเหลือเราเป็นมนุษย์ที่อยู่คนเดียวไม่ได้เราเป็นมนุษย์สังคมต้องอยู่ร่วมกันต้องช่วยเหลือกันต้องดูแลกันดังนั้นอย่าคิดแต่เอาแต่ได้เพียงอย่างเดียวเพราะได้แล้วมันจะกลับจะไม่ได้มากเท่ากับการเสีย ถ้ามีการเสียด้วยมีการได้ด้วยผลมันจะได้มากกว่าเสียนี่ก็คือเรื่องของการมีคุณธรรมมีคุณสมบัติที่เราควรที่จะสร้างกันขึ้นมาจารกะแปลว่าการสละประโยชน์ของเราให้แก่ผู้อื่นสละความสุขของเราให้แก่ผู้อื่นถ้าเรามีข้าวของมากเกินไป เงินทองมากเกินไปเหลือกินเหลือใช้ไม่ต้องเก็บเอาไว้ก็เอามาแจกจ่ายกันมาทำบุญทำทานกันแล้วเราจะมีเพื่อนมีคนรักเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ทำบุญทำทานคนที่มีความเสียสละนี้เป็นคนที่มีความเมตตาเป็นคนที่คิดถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น แล้วก็จะเป็นคนที่เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีความสุขทั้งขณะที่ตื่นและหลับเวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือ ย, ยาพิษต่างๆเพราะไม่มีศัตรูมีแต่เพื่อนแล้วก็ถ้าตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายไปเกิดในสุขคติ ไปเป็นเทวดาหรือกลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเสียสละถ้าเราไม่เสียสละเวลาเราตายไปเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่เราก็เอาติดตัวไปไม่ได้นะทำประโยชน์ไม่ได้นะแต่ถ้าเราเสียสละเอาเงินทองที่เรามีอยู่นี้แบ่งปันแจกใจ่ายให้แก่ผู้อื่นทำบุญทำทาน ตายไปเราก็จะได้ไปสุคติไปเป็นเทพไปสวรรค์กันแต่ถ้าเราไม่ทำบุญทำทานและเราไม่ซื่อสัตย์สุจริตเพราะเรามีความโลภมีความเห็นแก่ตัวเราก็จะไม่ทำบุญไ ม, ไม่ทำไม่ทบุญจะทำแต่บาปกันเพราะเวลาทำบาปจะทำให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้อย่าง ง่ายดายและรวดเร็วได้มากมายแต่สิ่งที่เราได้มานี้มันช่วยววอะไรเราไม่ได้เวลาที่เราตายไปแล้วเพราะสิ่งที่เราทำนี้มันเป็นบาปพอตายไปเราก็จะต้องไปรับผลบาปอีกหรือถ้าขณะมีชีวิตอยู่ถ้าทำบาปทำผิดกฎหมายก็อาจจะถูกจับไปลงโทษติดคุกติดตารานได้ ถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าเราไม่มีความอดทนอดกลั้นเวลาเราอยากได้อะไรเวลาเราโกรธเราก็จะทำสิ่งที่เสียหายแล้วเราก็า จ, จะต้องไปรับผลของความเสียหายต่างๆที่จะตามมานี่คือคุณธรรมที่พวกเราควรที่จะมาสร้างกัน หัดเสียสละกันด้วยการทำบุญทำทานหัดทำทุกวันวันละเล็กวันละน้อยทำที่ไหนก็ได้ทำที่บ้านก็ได้ให้เงินพ่อให้แม่ก็ได้ให้เงินพี่น้องก็ได้ให้เงินลูกให้เงินเพื่อนฝูงให้ขอทานให้พระก็ได้หัดให้เป็นนิสัยวันละเล็กวันละน้อย ทำแล้วมันจะทําให้เกิดเป็นนิสัยขึ้นมาแล้วมันจะทําง่ายถ้าเราไม่ทํเรานานๆจะทําสักครั้งหนึ่งเช่นทําบุญเฉพาะวันเกิดหรือวันขึ้นปีใหม่ถ้าอย่างนี้แล้วมันจะทํายากจะเสียสละยากแต่ถ้าเราหัดทําทุกวันอยากจะทําบุญกับพระก็ได้ถ้าไม่ได้มาวัดก็เอาเงินใส่กระปุกไว้ก่อน ว่าเป็นเงินทำบุญแยกกอาไว้พอเวลามาวัดก็เอาเงินที่เราใส่กระปุกนี้มาทำบุญที่วัดเราควรทำทุกวันเพราะว่ามันจะได้ติดเป็นนิสัยแล้วจะทำให้เราทำง่ายถ้าเราไม่ทำนิสัยคือความตนีความโลภความหวงมันจะไม่ทำให้เราทำได้ถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์ เท่าของเงินทองเราก็จะไม่ได้ใช้อยู่ดีตายไปมันก็ไม่เป็นประโยชน์กับเราเอาไปไม่ได้อยู่ก็ไม่กล้าใช้เสียดายกลัวจะหมดอันนี้ก็เลยไม่ได้รับประโยชน์จากเงินทองหรือถ้าเอาไปใช้ก็ไปใช้ในทางที่เป็นโทษกับเราเช่นเอาไปใช้ซื้อของที่ไม่จำเป็นเอาไปเที่ยวเอาไปเล่นก็เป็นเหมือนกับการซื้อยาเสพติด ซื้อแล้วก็จะติดใช้แล้วก็จะติดจะต้องใช้อยู่เรื่อยๆถ้าไปเที่ยวแล้วก็ติดการเที่ยวจะต้องไปเที่ยวเรื่อยๆเวลาไม่เที่ยวก็รู้สึกงดหยิดลำคาญใจแล้วถ้าเวลาเงินหมดก็ต้องไปหาเงินโดยวิธีไม่ถูกต้องไปช่อโกงไปลักทรัพย์ไปทำผิดกฎหมายก็จะมีโทษตามมา สู้เอาเงินมาทําบุญดีกว่าทําบุญแล้วจะทําให้ใจเรามีความสุขมีความอิ่มทาให้เราไม่อยากเที่ยวไม่อยากซื้อของที่ไม่จําเป็นต่างๆไม่อยากทําอะไรตามความอยากเพราะว่าการทําบุญนี้จะทําให้เรามีความอิ่มใจสุดใจแล้วจะทําให้เราเสียสละได้เป็นผู้ที่เสียสละทําให้เราเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต นี่คือคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราพยายามสร้างกันขึ้นมาให้มีจาคะเสียสละให้มีสัจจะคือความซื่อสัตย์ซื่อตรงให้มีขันติความอดทนให้มีธรรมะความอดกั้นเวลาที่เรามีอารมณ์ไม่ดีหัดอดกั้นด้วยการใช้คำภาวนา เช่นเวลาเราโกรธให้ใช้คำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธ ถ, ถ้าไม่คิดแล้วเดี๋ยวเราก็จะลืมลืมเรื่องที่ทำให้เราโกรธความโกรธก็จะหายไปถ้าเวลาอยู่ในเหตุการณ์ที่ทำให้เราโกรธ ถ, ถ้าเราถอยได้หลบได้ไปอยู่ที่สงบ ไปสงบสติอารมณ์อย่าประเชิญหน้ากันเพายิ่งประเชิญหน้ากันยิ่งทำให้เกิดอารมณ์รุนแรงขึ้นพอเราพูดกลับไปเขาก็จะพูดกลับมาแรงกว่าเก่าเดี๋ยวก็ต้องทุบตีกันฆ่ากันได้แต่ถ้าเรารู้จักระงับอารมณ์เวลาอารมณ์ไม่ดีก็หัดบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจหลบได้ก็หลบไปหา หาที่สงบไปอยู่ในห้องคนเดียวแล้วก็พยายามระงับอารมณ์ทำอารมณ์ให้หายไปด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวไม่นานอารมณ์ก็จะหายไปถ้าไม่ใช้คาบริกรรมจะใช้การสวดมนต์ก็ได้สวดมนต์ไปภายในใจสวดอิติปิโสไปเรื่อยๆสวดไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งไม่นานหรอกเดี๋ยวก็อารมณ์ก็จะ หายไปความโกรธก็หายไปพอหายแล้วเราก็กลับเป็นปกติแล้วพอเราก็สามารถกลับไปเผชิญหน้ากันได้เราก็จะไม่มีการพูดที่ไม่ดีจะไม่มีการกระทําที่ไม่ดีปัญหาหรือโทษก็จะไม่มีตามมานี่คือประโยชน์จากการระงับอารมณ์ต่างๆ ขอให้เราคิดว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารการชนะกันไม่ดีเพราะถ้าเราชนะเขาก็ยิ่งจะทำให้เขาโกรธเกลียดเรามากขึ้นไปถ้าเขาชนะเราเราก็จะไม่พอใจเราก็จะโกรธเกลียดเขามากขึ้นไปแต่ถ้าเรายอมแพ้เขาให้เขาชนะไปเขาก็จะไม่มาโกรธมาเกลียดเราเขาก็จะไม่มาจองเวรจองกรรมเร า, างั้นยอมดีกว่า ยอมแพ้แล้วเราจะได้หยุดต่อสู้กันเมื่อหยุดต่อสู้กันแล้วใจของเราก็จะเย็นจะสบายถ้าไม่ยอมเราก็จะต้องต่อสู้กันต่อสู้กันก็จะเกิดความทุกข์เกิดความร้อนใจขึ้นมาท่านถึงสอนให้ใช้สูตรสามยอสยอคือยอที่หนึ่งก็ยอมยอมแพ้ยอที่สองก็หยุดยอที่สามก็เย็น พอเรายอมแพ้เราหยุดต่อสู้ใจเราก็จะสงบใจเราก็จะเย็นแล้วก็ไม่มีปัญหาตามมาความสัมพันธ์ก็ยังอาจจะดีต่อไปยังอยู่ร่วมกันได้ยังคบค้าสมาคมกันได้ไม่มีความโกรธเกลียดต่อกันไม่มีความเสียหายที่เกิดจากการทำร้ายกันนั่กันนี่คือประโยชน์ของการที่เรา มีคุณธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้เรามีกันคือให้มีจาคะความเสียสละมีสัจจะความซื่อสัตย์มีขันติความอดทนแล้วก็มีธรรมะความอดกัน้นถ้าเรามีคุณธรรมสีประการนี้เราจะรักษาความดีงามในตัวเราได้เราจะไม่แสดง อาการที่ไม่ดีออกไปเราจะไม่ทำไม่ดีเราจะไม่ไปสร้างความเสียหายสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้วความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะไม่กลับมาหาเราขอให้จำไว้ว่าเราทำอะไรมันจะกลับมาหาเราทำดีเราได้ดีทำไม่ดีมันก็จะไม่ดีกลับมาหาเราให้ความสุขแก่ผู้อื่นความสุขก็จะกลับมาหาเรา ให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นความทุกข์ก็จะกลับมาหาเราแต่เราอยากจะมีความสุขขอให้ความสุขแก่ผู้อื่นเธอถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์ก็อย่าไปให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นใช้ความอดทนอดกันแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปทำให้ผู้อื่นเข้าทุกข์เข้าเดือดร้อนเมื่อเราไม่ทำให้เขาทุกข์เขาเดือดร้อนเขาก็จะไม่มาทำให้เราทุกข์ให้เราเดือดร้อนเช่นเดียวกัน นี่คือการที่เราจะมาทำให้ตัวเราเป็นคนดีมีความสุขและความเจริญก็คือเราต้องสร้างคุณธรรม4ประการคือจาคะความเสียสละสัจจ ะ, ะความซื่อสัตย์ขันติความอดทนและธรมะความอดกลั้นถ้าเรานีคุณธรรมทั้ง4ี่ประการแล้ว เราจะคิดดีพูดดีทำดีเราจะเป็นคนดีจะเป็นคนที่มีคนรักคนชอบเราจะมีแต่ความสุขและความเจริญโดยถ่ายเดียวการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสง์